พี่ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สามร้อยสามสิบสองเรื่องการชําระค่าบํารุงพระวิหารพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบสี่ถึงข้อที่ยี่สิบเจ็ดมัทธิวบทที่สิบเจ็ดข้อยี่สิบสี่ถึงข้อยี่สิบเจ็ดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า เมื่อมาถึงเมืองคาเปร์นาอูมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมหาเปโตถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตตอบว่าเสียเมื่อเปโตเข้าไปในเรือนเปเยซูตรัสกับเขาก่อนว่าซีโมนเอย๋ยท่านเห็นอย่างไรกษัตริย์เคยเก็บส่วยและภาษีจากผู้ใดจากโอรสหรือจากผู้อื่นเปโตทูลตอบว่า เวยเก็บจากผู้อื่นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียแต่เพื่อไม่ให้เขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วจะพบเงินตราเคเคลหนึ่งจงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพาวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดพี่น้องครับเรื่องสั้นๆ น, นี้ มีแต่ในบันทึกของมัตทิวเท่านั้นครับผู้บันทึกภกิติคุณแต่เล่มต่างก็มีเป้าหมายของตัวเองที่เขียนพกิติคุณภายใต้าการทรงนำและการดลใจการเปิดเผยสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ละคนก็บันทึกตามความสนใจและภูมิหลังของตนมัตทิวนั้นเคยเป็นคนเก็บภาษีท่านเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ และท่านเป็นคนที่ชอบนําเสนอรายละเอียดต่างๆในบันทึกของตนอยู่เสมอเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปแต่มัทธิวคิดว่าเราทั้งหลายควรรู้เพราะเห็นนี้ในวันนี้นะครับผมจึงนําเรื่องนี้เพื่อที่จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทําให้เราทราบถึงธรรมเนียมการเก็บภาษีในสมัยก่อนและในขณะเดียวกันก็รู้ถึงคําสอนของพระเยซู เราเริ่มในข้อ24นะครับข้อ24นั้นบอกให้กับเราทราบว่าหลังจากที่พระเยซู ก, กับเหล่าสาวกเดินทางมานานในที่สุดก็ตัดตัดสินใจว่าจะปักหลักอยู่ที่คาเปอร์นาอุมนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นศูนย์กลางการรับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์คนเก็บค่าบำรุงพระวิหารก็มาหาเปโตถามว่าพระอาจารย์ของเปโตนั้นจะไม่จ่ายหรือ ไม่จ่ายอะไรครับไม่จ่ายเงินบำรุงพระวิหารในกรุงเยอเซล็มเงินค่าบำรุงพระวิหารในกรุงเยอเซลมนั้นคือเป็นเงินที่จะทําให้พระวิหารสามารถที่ดําเนินกิจกรรมของพระวิหารต่อไปได้พระวิหารนั้นเป็นสถานที่ต้องใช้จ่ายค่าค่าใช้จ่ายสูงมากครับและเขาจะต้องซื้อเครื่องเทศราคาแพงเพื่อใช้เผาถวายตลอด24ชั่วโมงปูโรหิตนั้นก็ต้องมีเครื่องแบบมีวัสดุอื่นๆในพระวิหาร จะต้องบำรุงรักษาพระวิหารท่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีพี่น้องครับชาวยิวที่อายุยี่สิบปีขึ้นไปต้องเสียค่า บ, บำรุงพระวิหารนะครับประจําปีครึ่งเชเขลเพื่อการบำรุงรักษาสถานสถานธรรมสถานของพวกเขาในสมัยพระเยซูนั้นเงินจํานวนครึ่งเชเขลนี้เทียบเท่ากับค่าแรงของคนงานประมาณสองวันนะครับและก็ในวันแรกของเดือนมีนาคมซึ่งเป็นเรียกว่าเดือนอาดา จะมีการประกาศไปทั่วหมู่บ้านและทั่วเมืองต่างๆในปาเลสไตน์ว่าถึงกำหนดการชำระค่าภาษีแล้วนะครับและในวันในวันที่สิบห้าของเดือนอาดานหรือเดือนมี น, นาคมนี้นะครับก็จะมีการตั้งด่านเก็บภาษีของทุกเมืองทุกหมู่บ้านเพื่อรวบรวมเงินค่าบำรุงพระวิหารหากไม่ชำระตามด่านภาษีนะครับก็จะต้องไปชำระตรงที่พระวิหารโดยตรงที่เยรูซาเล็มเลยพี่น้องครับด่านเก็บภาษีนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวแทนนะครับเป็นเอเจนซี่ของ อ่าพวกปุโรหิตหรือพวกเลวีที่ปฏิบัติรับใช้อยู่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มพี่น้องครับเป็นไปได้นะครับว่าบรรดาผู้นําของชาวอยู่คาดหวังให้พระเยซูจะต้องจ่ายในขณะเดียวกันครับเขาก็เตรียมแผนว่าถ้าพระเยซูไม่จ่ายพวกเขาจะหาเหตุฟ้องร้องและจับกลุ่มพระเยซูได้นังเยสันครับไปโตตอบคนเก็บเงินนี้ว่าพระเยซูทรงเสียเงินค่าบํารุงพระวิหาร นะครับตอบแทนไปแล้วนะครับเมื่อเปโตรกลับมายังเรือนของตนที่พระเยซูประทับอยู่ตามธรรมเนียมของพระองค์พระเยซูตัดถามเปโตร ว, ว่าซีโมนเอ๋ยท่านเห็นอย่างไรก้าสัตว์เคยเก็บสวยและภาษีจากผู้ใดจากโอรสหรือจากผู้อื่นเปนโตรตอบทันทีครับว่าเก็บจากผู้อื่นพระเยซูก็ตัดว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียพี่น้องเห็นไหมครับว่าพระเยซูกําลัง ถัดถึงเปต์กับเปต์โตถึงเรื่องอะไรครับถึงเรื่องการเสียบำรุงพระวิหารซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเปียซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นตามหลักแล้วเปียสูไม่จําเป็นต้องเสียเงินบำรุงนี้เลยพี่น้องครับโอรสของกษัตริย์ไม่จําเป็นต้องเสียสวยหรือบ ร, รัญการแด่พระบิดาแต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อไม่ให้เป็นการขัดเคืองคุนเครืองคุนข้องแก่ผู้เก็บเงินพระวิหาร หรือนำมาซึ่งปัญหาในภายหลังพระเยซูใช้คำว่าเพื่อมีให้สะดุดนะครับพระเยซูจึงสั่งไปตัวว่าจงไปตกเป็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาค่อยเปิดปากมันจะพบเงินหนึ่งเชเคีวจงเอาเงินนั้นไปชำระค่ามรุนยัยวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดพี่น้องครับประเด็นที่ได้จาก ข้อความในประโยคนี้ไม่ใช่วิธีการที่จะใช้เพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินบำรุงพระวิหารแม้ว่าจะเป็นวิธีการที่น่าสนใจแต่พระเยซูทรงแสดงให้เปโตรเห็นว่าถึงแม้ว่าตามบทบัญญัติพระองค์ไม่ยังเป็นต้องเสียเงินค้ำรุงแต่พระองค์ก็เต็มใจที่จะยอมเสียเพื่อมิให้คนอื่นสะดุดเพื่อมิให้การนะครับต่างๆนั้นจะเสียไป การงดไม่ยอมเสียคำลงนี้อาจจะทําให้เสื่อมเสียฐานะของพระเยซูในฐานะรับบีหรืออาจารย์หรือในฐานะผู้นําทางจิตวิญญาณยิ่งกว่านั้นพระเยซูทรงเชื่อเรื่องการเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองของบ้านของพระองค์ครับมัทธิวอาจจะรู้สึกพึงพอใจที่จะเล่าถึงประสบการณ์นี้ในชีวิตของพระเยซูพี่น้องครับมัทธิวอาจจะภูมิใจที่องค์พระผู้เปนเจ้าของตนนั้นเชื่อฟังทั้งกฎหมายของพระเจ้าและกฎหมายของแผ่นดินพี่น้องครับ เราคิดถึงสภาพของเปโตนะครับขณะที่เขาไปตกเบ็ดที่ทะเลถามว่าได้ปลาง่ายหรือยากก็ไม่ทราบครับแต่เปโตต้องเชื่อฟังเพื่อที่ให้แผนการของพระเจ้าสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่ผมเองนั้นได้รับจากพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วทั้งหลายนั้นที่ติดตามพระเยซูเมื่อพระเยซูสั่งให้เราตกเบ็ดเมื่อพระเยซูสั่งให้เราอย่าทําให้คนอื่นสะดุดเราจะต้องพยายามรักษาคําสั่งของพระเยซูไว้อย่าง เข้มเข้มแข็งและเคร่งขรึอาเมน